ตอนตื่นนอนเป็นนาทีทองของการปฏิบัติวงเล็บเปิด20มีนาคม2552ในวงเล็บสองวงเล็บปิดการภาวนามันไม่มีอะไรมากหรอกจับหลักให้แม่นแล้วก็สังเกตตัวเองสังเกตตัวเองโดยดูว่ามันตรงกับหลักที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าเรียกว่าโยนิโสมณัสิการสิ่งเหล่านี้จะช่วยเราได้มากที่สุดเลยถ้าเราไม่มีความแยบคายนะมีแต่น้อมใจเชื่ออย่างโน้อนอย่างนี้ ภาวนาลำบากหลวงพ่อเมื่อก่อนภาวนาไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์มากเป็นคาวาะนี่เวลาไปเรียนเดือนหนึ่งอย่างมากก็ไปได้ครั้งหนึ่งเป็นข้าราชการถึงเดือนก็ไปหาหลวงพ่อพุทธที่โคราชทีหนึ่งเวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยตัวเองฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อเห็นว่าสําคัญมากเลยคือความแยบคลายในการสังเกตตัวเองไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นอย่าเชื่อง่ายทดสอบตัวเองไปเรื่อยเราต้องสังเกตจริงๆเลยอย่างเราภาวนาไปแล้วกิเลสมันหายไปเนี่ย มันหายไปเพราะอะไรเพราะจิตเราเข้าไปติดล็อกอะไรไว้หรือเปล่าจิตเราไปติดความนิ่งความว่างความสว่างอะไรหรือเปล่าบางทีกิเลสหายไปได้เหมือนกันเพราะจิตไปติดอยู่ในภพภูมิที่ละเอียดที่ประณีตมากขึ้นส่วนมากติดในรูปประพบอารูปประพบกามราคะก็หายไปสิเป็นจิตของพรมไม่มีการนี่เช่นเราภาวนาเราดูจิตดูใจอยู่ๆจิตก็เคลื่อนไปอยู่ข้างนอกสว่างจ้า แล้วค้างอยู่กับความสว่างอย่างนั้นบอกนี่พ้นกามแล้วไม่มีกามพ้นเหมือนกันแต่พ้นด้วยสมถะจิตพระอระหันต์ไม่ได้ไปจ้าอยู่ข้างนอกแล้วไปเกาะนิ่งๆอันนั้นเป็นภพอันหนึง่งเชื่อถืออะไรไม่ได้จิตพระอนาคามีก็ไม่ได้เคลื่อนไปอยู่ข้างนอกไม่ถึงฐานใช้ไม่ได้หรอกฉะนั้นเราต้องค่อยๆสังเกตดูเวลาที่หลวงพ่อสังเกตตัวเองได้ดีที่สุดคือเวลาตื่นนอน ฉนั้นหลวงพ่อทึงเอามาพูดเรื่อยๆว่าเวลาที่ตื่นนั่นแหละเป็นนาทีทองของการปฏิบัติถ้าหากว่าช่วงใดจิตเราไปสร้างพบอะไรแล้วจิตของเราไปติดอยู่ในภพอันใดอันหนึ่งโดยที่เราดูไม่ออกว่ามันติดอะไรนะรู้แต่ว่ามันติดรู้สึกว่ามันแปลกๆหลายวันหลายคืนแล้วทําไมจิตเหมือนเดิมทุกวันทุกวันมันแปลกๆแล้วทําไมมันเที่ยงทําไมมันมีแต่ความสุขทําไมมันเหมือนมันบังคับได้แทนที่จะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา รู้สึกเป็นนิจจังสุขขังอัตตาขึ้นมามันผิดหลักที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วสังเกตอย่างไรก็สังเกตไม่ออกในที่สุดก็จับเคล็ดลับได้ตอนตื่นนอนนี่คอยรู้สึกไว้คอยดูไว้พอตื่นนอนปุ๊บจิตมันจะขยับตัวกุ๊กกิ๊กๆ ก, กมันจะเลื้อยเข้าไปช่องที่มันเคยติดถ้าเข้าไปติดแล้วดูยากแล้วว่าเข้าไปติดได้อย่างไรถ้าเห็นตั้งแต่ตื่นนอนว่าจิตเคลื่อนขึ้นจากภวังเนี่ย จิตยังไม่เข้าไปติดอะไรเคลื่อนขึ้นตรงนี้ปุ๊บเราเห็นปับ๊บอ๋อมันไหลเข้าช่องนี้เองเมื่อก่อนนานนักหนาแล้วนะยี่สิบกว่าปีก่อนมีลูกศิษย์หลวงปู่ดูลนรุ่นพี่หลวงพ่อองค์หนึ่งท่านมาเล่าให้ฟังว่ามีช่องเล็กๆอยู่ทางซ้ายเฉียงหน่อยหนึ่งถ้าเข้าช่องนี้แล้วมันว่างๆเลยนะรู้สึกจะดีเราฟังแล้วไม่น่าจะดีทําไมมันต้องเอียงๆข้างนั้นด้วยมันเอียงซ้ายชัดๆเลยนานๆไปท่านก็ไม่เอา อันนี้ใช้ไม่ได้ไม่มีหรอกช่องเอียงซ้ายเอียงขวาช่องข้างบนข้างล่างไม่มีอะไรหรอกมันมีแต่ปัจจุบันกลับเป็นกลางอยู่นี่แหละไม่ใช่ส่งจิตไปอยู่ตรงโน้นส่งจิตไปอยู่ตรงนี้นี่ถ้าจิตมันเคยเข้าช่องทางซ้ายเอียงสูงส0องศาพอตื่นนอนปุ๊บมันจะเลื้อยเข้าช่องเดิมถ้าเราเห็นมันขยับจะเข้าช่องนี้นะรู้เลยอ๋อมันไปติดอยู่ที่นี่เองเข้าไปสร้างพบอยู่อย่างนี้เองเรามองไม่เห็น ถ้าติดแล้วดูยากฉะนั้นดูตั้งแต่ก่อนที่มันจะเข้าไปติดตอนก่อนที่มันจะเข้าไปติดก็คือตอนที่มันเพิ่งตื่นนะ่ะทันทีที่คิดเรื่องปฏิบัตินะมันจะรีบสร้างภพขึ้นมาด้วยความเคยชินถ้าคนไหนติดก็จะรีบไปสร้างอย่างที่เคยชินแล้วไปติดอยู่อย่างนั้นทั้งวันดูไม่ออกแล้วดังนั้นตอนตื่นนอนนี่เป็นนาทีทองของการปฏิบัติตื่นนอนแล้วรีบรู้ทันเลยรวมทั้งพวกอรหันอะไรนั่นตื่นนอนแล้วรีบรู้เลยนะ จิตมันกระดึบกระดึบไปค้างอยู่ที่นั่นน่ะรู้ทันเอาไว้จิตจริงๆไม่มีการไปไม่มีการมาถ้ายังมีการไปมีการมาไม่ใช่ของจริงหรอก